เมื่อทราบหลักเกณฑ์ใหญ่ๆสองข้อนี้แล้วจึงควรกำหนดคุณค่าต่างๆในทางจริยธรรมของหลักทุกตาดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งการที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นการเจริญและการสลายตัวทำให้เกิดความกดดันขัดแย้งและการที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ภาวะเช่นนี้แสดงว่าสิ่งทั้งหลายมีความบกพร่องมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัว ความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์นี้ยิ่งมีมากขึ้นโดยสัมพันธ์กับการเวลาที่ผ่านไปและความเปลี่ยนแปลนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งทั้งหลายที่จะรักษาสภาพของตนไว้หรือขยายตัวเข้าสู่ความสมบูรณ์จึงต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาการดารงสภาพชีวิตที่ดีไว้การนาชีวิตเข้าสู่ความเจริญและความสมบูรณ์ จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลาคุณค่าทางจริยธรรมของหลักกฏตาข้อ2เมื่อความขัดแย้งดิ้นรนต่อสู้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะเป็นเหตุปัจจัยภายในหรือภายนอกก็าตามการฝืนแบบทื่อๆย่อมให้ผลร้ายมากกว่าผลดีไม่ว่าจะในกรณีของสิ่งต่างๆบุคคลหรือสถาบัน เช่นในเรื่องวัฒนธรรมดังนั้นการรู้จักปรับตัวและปรับปรุงจึงมีความสำคัญและข้อนี้ย่อมเป็นการย้ำความจำเป็นของปัญญาในฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรู้เท่าทันและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงเหตุปัจจัยคุณค่าทางจริยธรรมของหลักทุกตาข้อ3ความสุขและสิ่งที่ให้ความสุขอย่างที่เข้าใจกันในโลก ก็ตกอยู่ในหลักความจริงข้อนี้ด้วยความสุขเหล่านี้ย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวในแง่ที่ว่าจะต้องแปรปรนไปจากสภาพที่เป็นความสุขหรือจากสภาพที่จะหาความสุขนั้นได้อย่างหนึ่งและดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจให้ความพึงพอใจได้โดยสมบูรณ์อย่างหนึ่งผู้ที่ฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้อย่างขาดสติย่อมเท่ากับ ทำตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความไม่สมบูรณ์ของสิ่งเหล่านั้นหรือทิ้งตัวลงไปอยู่ในกระแสะความแปรปรนของมันและถูกชุดลากกดดันและบีบคั้นเอาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้สุดแต่สิ่งนั้นจะแปรโปรนไปอย่างไรความหวังในความสุขมากเท่าใดเมื่อความแปรโปรนหรือผิดหวังเกิดขึ้นความทุกข์ก็รุนแรงมากขึ้นตามอัตราเป็นการหาความสุขชนิดขายตัวลงเป็นทาส หรือเอาค่าของชีวิตเป็นเดิมพันผู้หาความสุขที่ฉลาดเมื่อยังยินดีที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่จึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริงสแสวงหาและเสวยความสุขอย่างมีสติสัมปชัญญะโดยประการที่ว่าความแปรปรวนของมันจะก่อโทษให้เกิดพิษภัยหรือเกิดความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถึงจะเป็นอย่างไร ก็ให้รักษาอิสรภาพของจิตใจไว้ให้ดีที่สุด